เนี่ยมาไม่ได้ตั้งใจพูดตั้งใจนี่หมดหลวงพิสังเพราะหลวงพิสังเนี่ยเป็นองค์กรถิ่นองค์กระถินะถ่นที่รับกรถิ่นปีแล้วแล้วท่านก็บวชมาเนี่ยทำประโยชน์ที่วัดมากคือทํางานทุกวันบางทีทําจนแบบดึกๆก็มีจหลวงพ่อก็รักก็ว่าอยากให้ทํามีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ได้พูดได้เล่าอะไรเพราะตอนที่ไปเชียงใหม่ด้วยกันเนี่ยหลวงพิสังเกือบตายนะ อยู่ในเหตุการณ์ที่วิกฤตคือผูกระเบิดแล้วท่านอยู่ในท่ามกลางที่พูระเบิดแบบปุ้งปั้งปุ้งปั้ ง, งเนี่ยแบบเขาหลบกันจะละวันเลยบางคนหัวร่างข้างแตกก็มีท่านหมอบแบบเหมือนหลบระเบิดอ่ะยมนึกภาพไหมว่าเขาเสียงระเบิดแล้วหลบอ่ะหมอบอ่ะเพราะพูนระเบิดอ่ะยิงแบบหูรับับไหม้เลยเสียงดังส น, นั่นหมดคนต้องหนีวิ่งหนีกันจะนละวันแล้วท่านอยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีพูอยู่ดอกหนึ่งที่ว่าระเบิดใกล้หูท่านอ่ะจนท่านหูแก้วหูทะลุรืเลือดไหลเต็มหูเลย หรือตอนนี้หายแล้วยังเหรอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้เพราะคนเราเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเพราะก่อนที่พู้จะระเบิดนะ่ะตอนนั้นทุกคนมีความสุขล่าเริงมีอารมณ์แบบมีความยินดีเพราะเป็นงานใหญ่มีทั้งจุดโคมโคมขึ้นฟ้าแล้วก็มีการละเล่นต่างๆที่วัดวัดที่จัดเนี่ยก็เป็นวัดใหญ่มีคนมาโลภเป็นพันเลย แต่ละคนก็มีความสุขกันคือโคมเต็มฟ้าเลยมองทางไหนมีแต่สีแดงขึ้นแต่อะไรอะไรก็ไม่แน่สิ่งเราคิดว่าดีหรือเป็นสวรรค์นเนี่ยอาจจะเป็นนรกได้ในพริบตาคือทุกสิทุกอย่างสอนศัจธรรมมาได้หมดอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้สักพักหนึ่งพอเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยรถพยาบาลก็มากันจนแบบคนจัดต้องสั่งให้เลิกงานตำรวจตำรวจก็มากัน คือจากความสุขกัเจ้า ว, วาดก็มีความสุขนะพาอเป็นคนจัดพอเองี้ยรู้เสียหน้ามากเลยเพราะว่าเสียชื่อทำให้ผู้ที่มาร่วมเนี่ยได้รับความทุกข์แลวเกิดเหตุการณ์ี่เข้าอีกหน่อยคนก็ไม่เชื่อถือเครดิตละจะมาจุดผู้หรือเล่นโคมเนี่ยคนก็มองไปทางลบแล้วเกิดอุบัติเหตุทางคนจัดก็ทุกข์นอนกันไม่หลับเลยแหละเด็กบาคนก็หัวแตกร้องกันเจ้าะวัน แล้วอีกหลายครั้งที่อาบาก็เจอเคยเจอเหตุการณ์เงี้เหตุการณ์ที่มีความสุข ก, กันแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ชีวิตคนเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอย่างตอนเช้าส่วนมวนตเนี่ยเราจะบรรยายทุกวันว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ ความตายความพัดพาความสูญเสียความไม่ได้ดังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องเจอสิ่งที่เราทําได้คือยอมรับฝวาเป็นจริงหรือวางใจให้เป็นเพื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ทุกทางกายบางครั้งเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอก็รักษาเราได้บ้างไม่ได้มั่งคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซน ที่รักษาหายก็หายบางครั้งก็ตายก็มีอันนี้เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งเราควบคุมได้คือวางใจให้เป็นวางใจคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างธรรมะตอนเช้าเนี่ยจะมีจะมีอยู่ท่อนหนึ่งระบาสะดุดเลยอุปท า, านขนันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่รู้พวกเราส่วนมนได้ถึงบทตอนนี้หรือเปล่าเพราะนั่นแหละคือหัวใจธรรมะเลยขันท้าคือรูปคือนาม แบบที่หลวงม่อเทียนชอบพูดหรือที่หลวงพ่อเขียนหรือครูบาอาจารย์ชอบพูดอ่ะขันห้าคือรูปนามนี่แหละเพราะว่าเราจะยึดมากเลยยึดรูปยึดนามว่าเป็นของกูตัวกูของกูว่าเป็นเราพอเรายึดปุ๊บเราก็จะหวงแหนความรู้สึกตัวนี้อะไรเกิดขึ้นก็กูกเป็นผู้รับบทกูเจ็บกูป่วยแล้วก็บางทีก็สมบัติของกูรูปเมียกู อะไรของกูหมดจิตเราจะทุบเพราะเราแบกเรายึดเอาไว้แต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตนะเราสามารถใช้สิ่งของเหล่านี้ได้มีมากมีน้อยจิตเราก็ไม่ไปเกาะว่าดีของกูนะหายก็หายไปคือของหายใจเราก็ไม่เสียอย่างเมื่อวานเนี่ยอรามาโพสธรรมะลงเฟซบุ๊กขออาจารไปสารมีประเด็นหนึ่งอาจารย์ไปสารพูดว่าพุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ย ให้เกี่ยวข้องกับความสุขแล้วก็ความทุกข์เนี่ยอย่างไรมีสามประการประการที่หนึ่งเราไม่เอาความทุกข์มาทับถมตัวเราเองประการที่สองเราสามารถพอใจในความสุขที่เราหามาได้คือว่าไม่ไปเศษความสุขจากยานเงินแรงงานของเราไม่ว่าจะเป็นมีรถมีบ้านมีตู้เย็นพัดลม ของใช้ต่างๆที่เราหามาได้โดยชอบธทำอันนี้เราไม่ติดไปเสพและประการที่สามเนี่ยเราต้องไม่ติดสุขแล้วก็ไม่ตกเป็นท่าของมันคือมีอิสระจากสิ่งเหล่านี้ในีสามประการเนี้ยคือพุทธศาสน์ให้เกี่ยวข้องให้เป็นอย่างถ้าเราเกี่ยวข้องให้เป็นปุ๊บเราก็จะเอาเอาความทุกข์มาทับถมเราเองเลยอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเวลาบางคนเนี่ยทําเงินหาย หรืออกหักปัญหานี้จะเกิดขึ้นมากเลยอกหักเนี่ยอกหักถูกคนรักทอดทิ้งหรือคนรักไปมีแฟนใหม่เราก็มาเสียเสียใจเพราะวางใจไม่เป็นแต่ถ้าเราวางใจเป็นเรื่องนี้เรื่องเล็กมากเลยไม่ไม่ไม่ไมไมอกหักเราไม่อกหักอะ่ะเพราะว่าอกหักเพราะเราบัยึดติเขาว่าเขาจะต้องเขาต้องเองป็นของเราคือเรียกร้อง เพราะบางคนเนี่ยไม่มีบุญสัมพันธ์ต่อ ก, กันเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เนื้อคู่เรารักไปก็ไม่ประโยชน์บางทีแยกกันก็เลิกกันก็กลับดีเหมือนกั น, ก น, กนบางครั้งอาจาเราเจอเนื้อคู่แท้ๆ ง, งเราก็ได้ถ้าเรามองในแง่บวกนะหรือเจอคนที่ดีกว่าถึงทํำให้พบคนที่ดีกว่ากับเป็นเรื่องดีเรามองในแง่บวกไม่ได้มาทุกข์กับคนคนั้นที่เลิกกันไปแล้วของหายถ้าเราคิดว่าของไม่ใช่ของเรา เวลาของหายขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์เขาเลยแต่ถ้ายึดเป็นของเราเนี่ยทุกข์มากเลยเวลาสังเกต น, นะเวลาเพื่อนเนี่ยเราหรือญาติพี่น้องเราเนี่ยทำเงินหายหรืออกหักหรือพ่อตายแม่ตายสูญเสียญาติพี่น้องเนี่ยเราจะมีวิธีปลอบใจเขาให้หายอาการเสียใจแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นเกิดกขึ้นกับตัวเราเองอะ่ะก็ยุ่งเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ย เวลาเกิดขึ้นคนอื่นเนี่ยมันนึกออกนะจะไปช่วยปลอกใจเขายัางไงบางคนชิดสั้นเนี่ยไปพูดเกีย้ยกรอมชักไม่น้ำต้องหาให้เขาเลิกคิดสั้นได้เวลาเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยมันหาทางออกไม่เจอเพราะคนเรามักจะเอาจิตส่งออกไปนอกตัวหรือเส้นผมบางภูเขาเหตุการณ์ที่เจอบ่อยมากอนาเชื่อว่าทุกคนในที่เนี้ยเวลาคนคน อ, อกหกักหรือคนชิดสั้นเนี่ยผู้เกีย้ยกรอมได้หมด แต่ว่าเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะทำไงเนี่ยอันนี้คือปัญหาแล้วก็ถ้าเราแม่ความทุกข์เท่าของตัวเองชีวิตเราก็ดีขึ้นเนี่ยข้อที่สองเนี่ยเราพอใจในความสุขที่เราหามาได้อย่างพระเราเนี่ยก็สามารถมีความสุขกับตัวที่ได้อยู่บางทีญาติโยมเอาอาหารปารีมาถวาย เราก็ฉันตามมีตามได้เราไม่ได้ไม่ได้ดิ้นโลนวันวันไหนโยมอาหารอร่อยอร่อยมาถวายเราก็รับประทานวันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรบางวันก็มีกล้วยหรือมีข้าวต้มมัดหรือมีผลไม้ต่างๆเราเก็บไปฉันเพลนแต่บางบางวันก็มีเจ้าภาพเอาอาหารปารี่มาถวายเราก็ไม่ปฏิเสธเราถือว่าเป็นอดีตเล่ห์ลาบหรือหรือโยมอาจีบอของใช้ได้ดีมาถวาย เราก็รับได้เพราะเราไม่ไม่ได้ดิ้นรนสแสวงหาแต่ถ้าเราดิ้นรนสแสวงหาไปนี่กลับไม่ดีเพราะว่าทําให้ชีวิตเป็นคนเลี้ยงยากชีวิตมีภาระมากอย่างสมยัยเราอาบวับ่ายเนี่ยอัตมาก็วางใจไม่ค่อยเป็นหรอกบางทีบางบางทีก็อยู่บางทีใจบางทีก็อยากไปอ่านหนังสือพิมพ์มัง่งอะไรมัง่งอย่างพระใหม่บางท่านเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ย อย่างอยู่สุกโตนะบางคนสามารถลงทุนไปแชร์ภูมิหรือแกล้งคอได้เกือบทุกวันเลยนะเพือไปอ่านหนังสือพิมพ์หนึ่งเล่มบางทีกิเลสไปเรียกร้องแเราก็ตอบสนองหรือกินอาหารอร่อยอ่อยบางทีเราไม่รู้เท่าทานตัวเองแต่การที่โลนเนี่ยคือความทุกข์คนไม่โลนแล้วอยู่เป็นสุขกว่าบางทีเสียเวลาบางคนเนี่ยต้องการกินอาหารอร่อยอร่อยลงทุนติดรถไปทุกครั้งแหละขอได้ไปกินเนี่ย เด็ดกิเลสมันมดิ้นลนหรืออยากอะไรต้องหายได้ถ้าดู้วนเผื่นก็ดีนะแต่ถ้าดูให้ลึกๆแล้วชีวิตอยู่ยากคือเปิดบนกิเลสแล้วตกเป็นธาตุของมันอย่ า, จาใจไปสารเนี่ยท่านก็พูดว่าอย่าติดด้วยความสุขนั้นแล้วก็ไม่ตกเป็นธาตของมันมีสิ่งของสิ่งใดก็มีไปแต่ถ้าเราไม่ตกเป็นทาตเนี่ยเราอิสระ คือว่าของนั้นก็ไม่ได้เป็นนายเราก็าอยู่กันได้สบายอย่างบางคนว็าของเยอะแต่ว่าจิตไม่ได้ไปเกาะของแต่บางคนของน้อยจิตวางไม่เป็นไปยึดของอันนี้ก็ทุกข์ได้นะพอยึดก็ต้องระแวงก็กลัวคนจะมาลักหรือเปล่าคือว่าการวางใจที่สำคัญมาก วางใชให้เป็นมีของเราก็สามารถใช้ของเป็นประโยชน์ได้ซึ่งพุทธศาสนาเน้นเรื่องเกี่ยวข้องกับวัตถุให้เป็นถ้าเรายิ่งอยากได้สิ่งใดบางครั้งเราก็จะสูญเสียแล้วก็ถ้าเราสละสิ่งใดไปสิ่งนั้นจะกลับคืนไปของเราเมื่อมายึดบัน้นถือมันสิ่งใดหรือหรือของในโลกไปของเราเนี่ย สิ่งนั้นก็จะกลับไปของเราทั้งหมดความจริงของโลกมักเป็นอย่างนั้นคือยิ่งห้ยิ่งได้บางครั้งเราแบบอยากให้ถึงที่หมายเร็วๆกลับยิ่งช้ากลับเนื่นช้าสังเกตไหมเราอยากไปถึงที่ไหนเร็วๆเนี่ยกลับยิ่งช้าลงอย่างไปกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่สนใจไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ถึงละ แ, แต่เราอยากถึงไว้ๆนะเอ๊ะเ ม, มื่อไหร่เมียถึงแที หชั่วโมงหกชั่วโมงก็แล้วยังไม่ถึงจิตที่อยากจะยิ่งช้าเพราะจิตมันจิตมันส่นสงไปนานาคตไม่อยู่ปัจจุบันเอาเดินทางไกลบางครั้งเราไม่คิดถึงเรื่องที่จะถึงเนะเดี๋ยวมันก็ถึงเองไปเรื่อยๆการวางใจนี่เป็นเรื่องสําคัญอาจารยเป็นสารจะเน้นตัวนี้แหละเ น, นเรื่องการวางใจการอยู่กับสิ่งของให้เป็นแล้วเกิดอะไรขึ้น บางอย่างก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้ถ้าเราวางใจเป็นแต่เราวางใจให้เป็นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกทุกข์หมดแหละไม่ได้เรื่องเล็กน้อยใครมาว่าเราใครมาดินทาเราซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ทุกคนเราจะตกเป็นตกเป็นธาตของโลกธรรมทั้งแปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีดินทามีมีทุกข์แล้วก็มีสุขคือวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยเราต้องวางใจแบบ ไม่ตกเป็นธาตุของโลกธรรมทั้งแปดเพราะชื่อเสียงราบยศเนี่ยเป็นของที่ไม่ยั่งยืนได้มาก็เสียไปสุดยอดของชื่อเสียงราบยศก็ห้องเต้หรือจักรพรรดิพระราชาเนี่ยสุดยอดล้วบาที่มีนางสนมเนี่ยเป็นพันมีอำนาจมากสั่งค่าใครก็ได้คือมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก็ยังทุกข์อยู่เลย ตอนตายบางคนต้องเลาะแวงเราจะอหลุมศพฝังไว้ตรงไหนเพราะพวกฮ่องเต้หรือจักรพัฒน์จะศัตรูเยอะกลัวคนจะมาทำลายซากศพแม้ตอนตายยังทุกข์อะ่ะอำนาจจริงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคืออยู่ที่ไหนกระโปรงสบายอิสระอิสระทางใจเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งคนที่คิดเป็นเขาเขาสแสบงหาทางพ้นทุกข์ก็มาบวชมั้ง สมัย ส, สมัยก่อนมีพระราชาหรือเศรษฐีหนีมาบวชเยอะแยะว่าคิดแบบเนี้ยมองเห็นสัจาธรรมความเป็นจริงว่าถ้าเราอยู่กับทรัพย์สมบัติชื่อเสียงอำนาจเนี่ยมีแต่แบกของหนักมีแต่ความทุกข์ถ้าเราออกจากเรือนเราทิ้งพวกเนี้ยเรากลับมีความสุขใจเบิ่งพะวงยิ่งขครทิ้งได้มากคนนั้นก็ยิ่งสุขมากคือทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ เน้นเรื่องปล่อยวางเน้นเรื่องเอาออกแต่ทางโลกเนี่ยสอนให้เอาเข้านะอย่างบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีปริญญาโทโปริญญาเอกเพื่อเอาเข้านั้นเลยเราเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะเอาออกจึงตรงข้ามกันการเอาเข้าจึงหนักการเอาออกจึงเบาซึ่งการเอาออกเนี่ยการเสียละกการแบ่งปันทำความดีให้ผู้อื่นเวลาผู้อื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วย แต่ถ้าคนที่เอาเข้าเนี่ยจิตใจจะแห้งแรงบางคนรวยแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สมบัติตัวเองเลยพอตายไปลูกหลานก็ผ่านหมดยิ่งเอาเข้ามากเท่าไหร่นะจิตใจก็จะแบกเพราะธรรมดาตัวกูในรูปใบ น, นามนี่ก็หนักอยู่แล้วพอไปยึดสิ่งของภายนอกก็หนักเข้าไปอีก ขันห้าคนเราีขันห้าพอสองคนก็สิบขันสามคนก็สิบห้าขันนับบวกเข้าไปทรัพย์สมบัติอีกการปวางจิงเป็นสุขยังเมื่อก่อนหลวงพ่อพุทธทาสท่านให้ธรรมะที่เป็นหัวใจเลยคือ ท, ท่านจะไม่ปลุกเสกพระเครื่องมีคนไปขอพระเครื่องท่านท่านก็เอาธรรมะนี่แหละแบบสั้นที่สุดท่านบอกตถตาเป็นช่นนั้นเองเอาไปแขวนห้อยไว้ ตาตาได้ใช้ได้ทุกเรื่องตาตาเช่นนั้นเองมีคนแก่ไปถามสรระท่านไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยบางคทีบางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องนะตาตาเช่นนั้นเองใช้ได้ทุกเรื่องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอ้าวมันเป็นเช่นนั้นเองเวลาของหายมันเป็นเช่นนั้นเองเวลาไม่ได้รังใจัอ้าวมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าหลวงพ่อชาเนี่ยท่านจะพูดบอกว่ามันไม่แน่ท่านจะพูดบ่อยมากเลยคาว่ามันไม่แน่เนี่ย เวลาทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะ ก, กับคนอื่นหรือถูกขัดใจอา้าวมันไม่แน่สักวันเดี๋ยวก็ดีกับเราซึ่งมันไม่แน่กับกับเช่นนั้นเอง ใ, ใช้ได้ทุกเรื่องนะครับสองเป็นคาถาที่น่าจาติดตัวไว้เกิดอะไรขึ้นอา้าวเช่นนั้นเองสูญเสียสิ่งใดไปมันไม่แน่พราะบางคพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสภาพก็เปลี่ยนละเราจะไปเอาแน่นอนอะไรคนเราก็ บางคนยึดม้านได้คำสัญญาต้องเป็นงูนอย่างนี้พอมาไม่ตรงเวลาหรือว่าผิดสัญญาก็ถือว่าอีกว่ายหนึ่งทําผิดแต่ถ้าเรามองเรื่องสัจธรรมธรรมะเนี่ยมันไม่แน่ไม่มีใครต้องรักษาสัญญาเราทุกคนเราต้องวางใจเราให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตัวเราเองแก้ไขได้แต่บุคคลภายนอกเราแก้ไม่ได้หรอกบางคนก็มีสัจจะมั่งไม่มีมั่ง แล้วไม่เหมือนเราทุกคนเราแก้ไขได้คือตัวเราเองเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นทําความทุกข์ไม่ให้ทุกข์อันนี้เราแก้ได้แก้ได้แด่นอนด้วยอันมาบางทีนึกธรรมะไม่ออกเพราะไม่ได้ตังเงียพูดมาก็นึกถึง facebook ที่เขียนนั่นแหละเอาเป็นหัวข้อมาแล้วก็พูดสู่กนฟังพ ost เฟซบ o ๊ก facebook เนี่ยมีของอาจารย์ไปศาลของหลวงพ่อพุทธทาสของหลวงพ่อคำเขียนของอาจารย์อาพลสี่คนเนี่ยจะโพสต์อยู่ทุกวันวันหนึ่งก็สี่โพสต์ คนก็อ่านกันเยอะแล้วก็ตัดคำมุขคมลงไปก็ได้ประโยชน์เพราะบางคนเจอปัญหาหาทางออกไม่ได้พรอ่านธรรมะที่ของอาจารย์ไพศาลเนี่ยถึงแม้เป็นธรรมะสั้นๆมันก็ไปสะดุดใจได้แงค่คิดขึ้นมาทําให้การมองเปลี่ยนไปคนเราที่ทุกข์ส่วนมากทุกข์เพราะความคิดคือมองความคิดของตัวเองถูกต้องและต้องเที่ยงแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองนะเรามอง ความคิดจากด้านลบเป็นด้านบวกเนี่ยอะไรอะไรอะไรก็จะดูดีขึ้นทันทีเลยแต่าการมองแง่บวกเนี่ยก็เราฝึกเหมือนกันเพราะแง่บวกเป็นไฟกุศลซึ่งการมองแง่ลบเนี่ยเป็นไฟอกุศลคนที่มองแง่บวกได้จะเปบนคนจิตใจที่ดีมองโลกในแง่ดีเปลี่ยนมุมมองอย่างนักมาเนยเป็นคนมองโ ล, โลกในแง่ร้ายมองทางลบเนี่ย มาบม า, มาบางที่คุยทํา ม, มากอาจารย์ตุ้มอาจารย์โน้ตซึ่งสองคนนี้ถ้าเป็นคนดีนนดท่านจะมองในแง่บวกเราก็ซึมซับไปด้วยบวกด้วยแต่ถ้าเราไปเจอคุยกับคนที่มองในทางลบนะลบลบตามเลยนะการคบเพื่อนได้สำคัญมากบางทีเราวางใจผิดเนี่ยเพื่อนเพื่อนกระตุกเรากลับมาได้การคบเพื่อนได้สําคัญแต่เราตงยอมรับเราเองวเราเป็นคนอย่างนี้นะไม่บิดเบือนถ้าเราหลอกตัวเองเนี่ยเราเรียนธรรมะไม่ได้เลย หลอกว่าเป็นคนดีเราฝามไม่ดีเราโยโนยให้คนอื่นไปอันที่เรียนไม่ได้ไม่ซื่อตรงกับตัวเองแต่เราเป็นคนยังไงเราบอกอย่างนั้นแหละเราโง่เราก็บอกเราโง่เรารู้เราก็บอกว่าเรารู้เพราะบางอย่างเนี่ยเพื่อนก็ฉลาดกว่าเรานะเราสามารถเรียนรู้จากเพื่อนได้แต่บางอย่างเพื่อนงงโงก่กว่าเรามันปนเปย์กันไปแหละบางเรื่องเราพึ่งพาใัยกันได้แต่รามาบางมีปัญหาบางทีเนี่ยอันมาเป็นคนนักเกียร์ก่อม ใครจะอกหกักใครจะใครจะมีปัญหาเนี่ยพูดได้เขาสบายใจได้หมดอะ่ะคือถ้าหลัหลงใหม่ไดยพูดเก่งมากเรื่องหัตถเทศสึ่งพูดเร่หัตถเทศไม่นานอย่างคนอกหกักอะไรมาก็พูดชักแม่น้าําต้องห้ามาบอกฮงจีซันอย่าฆ่าตัวตายเนี่ยพูดให้เขาไม่ค่าได้เกียรกล่อมนะักเกียรกล่อมใครมีความทุกข์ไงวางใจมีปัญหามาเนี่ยเคลียร์ได้หมดแต่บางครั้งเกิดขึ้นตัวเองนะบางครั้งเคลียร์ไม่ได้ก็มีติดเล่นตั้งหลายวันอะ จิตเขาบัญชีเราเผลอสติเข้าไปเป็นเลยเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะแต่บทเรียนมันก็สอนพอพึ่งทำธรรมะ ต, ต้องอาศัยบทเรียนเหมือนกันนะอาศัยการเวลาสอนถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เลยเราจะไม่รู้เลยนะไม่มีควารมรู้เรื่องกิเลสมันคนเนี่ยเป็นคนดีจะไม่เคยรู้เรื่องกิเลสเลยจะรู้แต่เรื่องกุศลบางทีก็พูดธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะเนี่ย เป็นสิ่งที่ว่าต้องละความชั่วและวทำความดีทําจิตได้ขาวรอบซึ่งเราต้องมีประสบการณ์ที่ไม่ดีทาผิดพลาดมาก่อนถึงจะคุยได้กว้างอย่างบางคนเนี่ยอันมายกตัวอย่างอย่างหลวงพิสังเนี่ยท่านเมื่อก่อนเคยกินเหล้าเคยติดบุหรี่ระดับมือโปรเลยท่านมาบวชท่านก็เลิกได้ซึ่งถ้าเคยทําไม่ดีมาก่อนบางทีค่าสัตว์ชีวิตต่างๆเนี่ยท่านทําเพราะท่านไม่รู้พอท่านรู้ท่านก็ไม่ทําเราสามารถเลิกได้คนเราเปลี่ยนแปลงได้หมด คนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ทํากรรมใหม่มาล้างกรรมเก่าได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็โทษฟ้าโทษดินว่าชะตากรรมเราไปอย่างนี้แก้ไขไม่ได้อันนี้เสร็จเลย อ, อันตรายของความคิดมีอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือไม่เห็นควาผิดของตัวเองเรามากักจะเพ่งโทษคนอื่นอันนี้เป็นความคิดที่อันตรายสองทผิดจนเคยชิน แล้วไม่คิดปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าคนเราสามารถแก้ไขได้แล้วก็พัฒ น, นาตนเองได้แล้วความคิดอันตรายข้อที่สามก็คือความคิดที่ทําลายตัวเองคือความคิดประเภท น, นี้มาเจอบ่อยมากเมืเม่อเจนเพื่อนพระหรือโยมหรือคนรู้จักความคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยคือพวกมองโลกในแง่ล้ายแล้วก็พวกทอ้อแท้ อย่างคิดจะมาวัดป่าสุกัโตอ่ะเอ้าบางทีตั้งใจมาอยู่เดือนนึงมาอยู่สองวันไม่ถูกใจจะหนีกลับละแล้วก็หากิเลสเข้าข้างตัวเองผมจะกลับละหรือบางคนอยากกสึกกสึกดื้อเลยคือคืออันนี้มีมีเพื่อนมีหลายคนที่เป็นเป็นอย่างนี้อยู่หรือบางทีบางคนภาษามากล้วกลัวการแสดงออกคือจะเทศหรือจะสวดสํามสวดมนต์หรือมันตกระลกเลยแล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงด้วยนะทั้งที่มีความรู้ คือเป็นเรื่องที่ว่าการเทศ่ไม่ใช่น่ากลัวอะไรสิ่งเรากลัวคือกลัวหน้าแตกแต่เราไม่กลัวหน้าแตกเราพูดไม่ดีไปเดี๋ยวเราพัฒนาให้เก่งได้แต่เรากลัวหน้าแตกปุ๊บมันมันก็เหมือนกับยึดตัวตนอ่ะทำให้พูดไม่ออกเลยพูดก็มีการเสแสร้งไม่จริงใจเจอมาหลายคนแล้ว บาที่นีปัญหาไปแอ บ, บอยู่ต้องแอบบไปวัดไหนก็ไม่ไม่ ไ, มไปได้ความไม่ภาคภูมิใจบางทีปัญสมากเราต้องไปแอ บ, บอยู่ข้างหลังกลัวการสแสดงอย่างสวดมนต์ก็เหมือนกันเราเราถ้าเกิดมันสามารถหัดได้เก่งได้ถ้าเราขวนขวายวันนี้เราสวดไม่ได้วันหน้าเราก็สวดได้ไปไหนเราก็ไม่เก้อเขินทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาได้หมดอย่างเรามาตอนเรียนบวชใหม่เรามาก็กลัวสวดมนต์นะใครนิมนต์ไปนี่โอ้โหแบบไปแอ บ, บเลยล่ะกลัวเป็นผู้นํา แล้วพาวัดป่าสกุล โ, โตส่วนมากสวนบนกันไม่ได้ไปก็ไปก็ต้องหน้าแตกลนะ่ะบางทีไม่กางหนังสือสวดคือทุกมากอะ่ะแล้วเราเป็นคนภาคกลางบางทีอาหารตามพื้นบ้านเราไม่คุ้นเลยบางทีใหม่ใหม่เนี่ยวางใจผิดเหมือนลงนรกเลยแต่เป็นนรกทางความคิดเราเองนะบางทีเราเราไปกินอาหารเออมันก็ไม่มีอะไรเราไปสวดมนต์แล้วแล้วก็แล้วแต่บางที่ความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยมันเกินฟ้าเป็นจริง อุปสรรคต่างๆเนี่ยบางทีไม่เท่าไหร่หรอกเราทําไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าก่อนที่จะทำเนี่ยเราจะกลัวงานที่อ่ะมาเมื่อก่อนที่หนักใจก็คือเป็นคู่สวดโอ้โไปซ้อมกันกลัวกลัวสวดไม่ดีเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบางทีงานยากๆที่เราทําเนี่ยอย่างแบบแรกอ่ะมาบวชต้องหกคนเลยหกคนแล้วตัวเองก็สวดไม่เก่งบวชบวชแบบแรกบวชแล้วหกคนพี่ตกกังวลมากบางทีนอนไม่หลับเลย แต่ที่จงพอทําไปแล้วไม่มีอะไรตอนหลังเนี่ยเราบาไม่ค่อยได้ซ้อมแล้วอืถือว่าจิตเราเริ่มทํางานเป็นเนี่ยจากประสบการณ์สอนมาส่วนมนต์เนี่ยเราสวดแล้วเราก็เดินลงไปหอเดินลงจากหอใจมาก็ลืมละหรือเทศเนี่ยไม่ค่อยมาใส่ใจแล้ะแต่ถ้าตอนใหม่เนี่มันกังวลนะถือว่างานทุกอย่างเนี่ยทําแล้วมันจะมีอตัวตัวหลอกรับเพราะว่ากูกูเป็นคนทํางานทุกชนิดแหละงานวัดแล้วก็เรื่องสวดมนต์ แล้วก็เรื่องถ้าได้เทศเนี่ยบางทีปรุงแต่งทั้งวันแหละจะเทศเรื่องนู้นเทศเรื่องนี้วางแผนเทศเสร็จไปปรุงแต่งต่ออีกเขาเรียกติดอารมณ์แต่พวกนี้มันจะสอนเรานะเพราะว่าทําแม้ว่ามันจะสอนประสบการณ์สอนว่าเราทําสิ่งเนี้ยมันจะทุกข์ติดอารมณ์เนี่ยความคือความทุกข์ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ดีหรือทุกข์หรืออารมณ์ที่ไม่ดีก็ตามนะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันจะผักสายอารมณ์ดีมันจะเอาเข้าโดยธรรมชาติ แต่ก็ปรุงแต่งแล้วก็เหนื่อยไม่ได้พักผ่อนได้รับการลงโทษจากมันเหมือนกันจิตมันก็เริ่มเข็ดละเริ่มพพวกนี้เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งหล่าต้องเรียนรู้นะเรียนรู้เรื่องอารมณ์คือคิดแล้วไม่ให้เป็นติดอะ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ติดพอติดนี่ก็ต้องหมดเหตุอะหรือทีออกได้กว่าจะหมดเหตุปรุงแต่งการติดอารมณ์เนี่ยส่วนมากคนไม่รู้ถึงติด คือเป็นจริงจังกับมันแต่ถ้าเรารู้ยอมรับเราไม่ผลักสายมันเดี๋ยวมันก็หายไปคือคิดแล้วก็คิดแล้วไม่ติดอ่ะคิดเท่าไหร่ก็คิดได้แต่คิดแล้วติดเนี่ยมีปัญหาสร้างความทุกข์ความเหนื่อยยากให้มากมายเลยคนเราก็สุดแล้วทุกกับความคิดถ้าคิดแล้วไม่ติดก็ไม่ทุกข์คิดแล้วผ่านคือติด ติดน้อยก็ทุกน้อยติดมากก็ ท, กทุกมากอนามาเห็นว่าพูดธรรมะสรรพเหระมาแบบไม่ได้ตั้งใจหรือจะพูดเนี่ยก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจะปิดท้ายด้วยก่อนของหลวงพ่อพุทธทาสกรอนหนึ่งก่อนเรื่องความแก่เพราะในที่นี้มีคนผู้สูงอายุอยหลายคน ก, ก่อนความแก่ความเอยความแก่เป็นเพื่อนแท้ของความตายไม่ไห น, หนีเมื่อความแก่ล่วงการมานานปี ก็มอบเวรหน้าที่ให้ความตายไม่ยกเว้นไขรไขไม่ลำเอียงมีให้ไขหลีกเลี่ยงหรือเถียงได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหญิงชายรีบทำดีก่อนตายให้มากเอย